พระธรรมฐ า, าน ท, ท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจำาพราะเรื่องพิธีรีตรองคืนไม่ค่อยมีเวลามียุกศิลลูกหาจลาท่านอาจารย์มั่นออกเที่ยวบางทีจวนมาคะาลิษาอากาศอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทำเถอะ ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีนั่นแหละคือเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าระลึกรู้ด้วยการาระมัดระวังรักษาตัวให้ดีนั่นแหละคือรลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราปฏิบัติดีอย่างนั้นนั่นและคือการบูชาพระสงฆ์อยู่ที่ไหนให้มีถือเป็นความต้องกาในตัวเองอยู่เสมออย่าให้เขียววิลัมเวลาอย่าเป็นโมฆะ ภิกษุอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดหลายๆอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทำว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสล้นล้ว น, วนท่านไม่ได หมายออกไปทางโลกท่านเป็นผู้ใหญวนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันทีกัทนทีเวลาท่านแสดงทำในวันสําคัญเช่นนั้นเช่นแสดงมาฆบูชาในวันมาฆบูชาท่านก็ยกเอา พระรหันัพันสองรอห้าสิองค์คือแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระรหัสรวนรวนทาวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถใน่าำกลางแห่งท่านภูบริสุทธิ์รุนรว น, วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบรวนรวนแขง วิสุทธิอุโบสถของพระพุทธเจ้าในวันมาคบูชาไม่น่าละอายตัวบ้างเหรอนั่นท่านว่าท่านออาหนักมั้ยถ้าละอายตัวก็ให้ทําความรู้สึกตัวอย่าประมาทอย่านอนใจสติปัญญาเป็นสิ่งสําคัญเครื่องประกอบความเพียรมีสติปัญญาเป็นสําคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้เถิดสติให้มีปัญญาเสมอเราอย่าะสะทุกสะทานอย่าวันไหว อย่า ก, กลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกไปจากกลัวจะเผลอสติกลัวจะมีปัญญานี่แลคือเครื่องมือขุดคน้นทำเพื่อความรู้แจ้งแจงตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนที่เรยออกให้หมดทันเทงในวันมาฆบูชาทันเทงอย่างนีน้พวกเราเอาของ ไม่ดีมาแข่งท่านท่านลงโสบสดมีพระแต่พระอหันตนล้วนๆท่นสองร้อนห้าสิบองค์เราอยู่ด้วยกันไม่มีใครเป็นพระอหันตบ้างไหมมีิมต่กองกิเลสเต็มสลาทันวันถ้าพระพุทธเจ้าเสดเ ด, ดมาที่นี่มาเห็นเข้าเราเป็นยังไง ท่านพูดมีเรื่องขบขันแต่พระอราหันต์ท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเต็มสลาย ท, ท่านจะไหวอย่างนี้เพราะท่านเบื่อท่านอื่มละอาท่านขายะกขแยแงงเยะมากมายหวานในพวกเรากอดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยู่กับกิเลสให้นั้นมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขายะกขแยแงงเก่งจริงพวกเรานะฟังอยู่ เก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีนี่หว่ทาท่านจันมั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินไมาฟังโอ้ว่าของท่านโู้แหลมคมพุ่นและสะเทือนถึงจิสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลสนั่นเองทําให้สะดุดใจสะดุดใจสลดสังเวชบางทีนั้ำตาล่วงในขณะฟังท่านให้มันถึงใจขนาดนั้น ท่านเทศโดยอาจด้วยธรรมจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแม้จะพูดเด็ดเดี่ยวดุดาขนาดไหนก็ตามมีแต่เรื่องคับกิเลสทั้งนั้นท่านไม่นํามาเอานำโลกคือกิเลสมาใช้ในองแห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจึงน่อัศจรรย์ธรรมะท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงไปเรื่นขึ้นเด้นขึ้นเด่นขึ้นเมื่อเมื่อธรรมก็เข้มข้นขึ้นโดยลําดับลําดับลำดับ นั่นและทีนีมีแต่ทำรุน้วนจเจ้าความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนสแสดงไปที่ดวงไหนมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่คติที่จะควรที่ได้ทั้งนั้นพระอรหันต์ท่นสองร์อยห้าสิบองค์ท่านท่า น, นเสด็จก็ท่านมาเองพระพุทธเจ้า ไม่ทรงเชื้อเชิญมาเองและเป็นเอหิพิุูร์สัมปทาน ล, ล้วนที่พระองค์ทรงบวชเองเนี่ยท่านพูดตรงนี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนทล่านั่นท่านหมายถึงว่าเป็นเอหิพิภูุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเราจะเอ็นเป็นเอหิพิภูุ์ในเราทําไมจะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดนะ บวตัวเองเขาอีซี่น่ะท่านว่าเอหิพิขุผสัมปทาเขาที่นี่เตหินั้นท้าทาอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกประกองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองน่ะสมุทัยก็คือกองทิ่เละตัวเราทั้งหมดก็คือกองที่เละเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวน่ะเมื่อไรจะผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับทิ่เละ อันมีกองที่น่ากลัวนี้บ้างให้ระงับดับไปแล้วจะได้ดับกลิ่นเหม็นของกิเลสใช่บ้างหนานต่ง น, นี่แหละเอฮีพิภู菩萨ทาบบวตตัวเองนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกบวตกันก็ดีคือพระพุทธเจ้าทรงบวตเป็นเอหีพิภูให้ก็ดีพระสาวกบวตกันเองก็ดีก็เป็นกา ร, รการประกาศให้ทราบว่า ตัวเป็นนักบวชเวลานี้มีเพศต่างจากพระว่าท์แล้วแต่กิเลสก็ ย, ยังไม่หลุดลอยประชักตัวเช่นเดียวกันทันไหวอยากจะให้กิเลสหลุดลอยไปต้องบวชตัวเองอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชพระ อ, องค์เองพระสาวกข้าวไหยก็บวชพวกเองจากพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเองที่ผู้ประสัมภทาแล้วนั่นะทันย้อนเข้ามาน่าฟังใครถ้ายังไม่บวชตัวเองซะก่อนแล้วผ่านพ้นเป็นไม่ได้นะ เอหิเอหิท่านแปลว่ายัางไงนี่หนะ่านี่หนะา้าเขาไว้ยงนั้นดูที่นี่หนะ่านี่นะ่ะท่านจึงดูที่นี่นะ่าประกาศท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือด้วยความจริงความจริงจึงเหมือนประกาศท้าทายมาชะกค้านต่อสิ่งใดทั้งหมดเพราะเป็นความจริงกังนั้นดูเมื่อไหร่ก็เห็นพิจารณาเมื่อไหร่ก็รู้ถ้าพิจารณ์ถ้าจะพิจารณาเนี่ท่านสอนน่าฟัง คำจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชลึกระวา่าต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลําดับดๆเขากลายเป็นพระขึ้นมาเนี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคา เป็นพระหันขึ้นมานะจากการบวชตัวเองด้วยปฏิบัติข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าด้วยมักแปะเป็นพระขึ้นมาด้วยเหตุนี้อันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและเป็นเครื่องเตือนให้ตัวเองทราบทุกเถิดว่าได้บวชแล้ว เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มภูมิปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกับหมูนงตังเลยถ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพุอยากที่ไหนถ้าว่าพิเศษด้วยผ้าเหลืองอจริงๆแล้วร้านเจ๊กเจ๊วิเียไปหมดทในร้านเจ๊กบรรดาดร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลือง ภาคคาสวัคัตอยู่ที่นั่นแล้วพวกนั้นจะไม่มีกิเลสกันเลยแต่แล้วก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องประกาศทันว่าันหน้าฟังต้องบวกตัวเองระเวน้นคำว่าละเวน้นเว้นอะไรเว้นสิ่งที่เป็นภาคสุดแจ่จิตใจของเรา อารมณ์นั่นแหละเป็นค่าสุดคำว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรสแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์นะครับท่าหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คื อ, อวิชาวิรยาที่สแสดงออกมาออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ถอดใจเกลียดโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทางนั้น นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทยัยใหอ้อีกชื่อหนึ่งว่าสมุทยัยแดนที่เกิดแห่งทุกข์หรือแดนผิดทุกข์ได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดไปเรื่องผิดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากสมุทยัยที่พิเศษนี้เท่านั้นและจะดับสมุทายนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมรรคสีสมาทิปันดา ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไหนไปเป็นอะไรอีกเครื่องมือนี้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากิเลสหมอบนาบกลัวที่สุดมาตลอดการแล้วยังจะกลัวต่อไปอีกไม่มีกำหนดแล้วจะสิ้นเพราะหรือจะตายเพราะเครื่องมืออันนี้อีกไม่มีจุดสิ้นุดถ้าผู้ใดนํามาใช้ให้เหมาะสมกับการแก้กิเลส จะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาว่าทุกทางกายก็ประกาศทางวานอยู่ทั่วทังล่างทางใจก็รอบใจเพราะสมุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ราร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์มาก พันในใจใจทั้งดวงก็กลายเป็นไฟทั้งทั้งกองตปได้เนะี่ยมัดมีสมาธิจิตสมาสมาโปภิสม า, ส, ส, มาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟหลังนี้เพื่อความรู้เท่าทันพื่อการบังคับเพื่อการระงับเพื่อการต้นคว้าเห็นเหตุเห็ผลแล้วปล่อยวางกันได้เนะนี่ยมีท่านเรียกว่ามัด ทางเดินก็ได้เครื่องแก้ก็ถูกนิโรธคือความดับดับไปดับทุกข์กิเลนดับไปแล้วทุกข์มันก็ต้องดับเพราะเป็นตัวผลไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองโดยลำพังซึ่งไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับมรรคนี่เลยเป็นไปไม่ได้ นี่เราก็เป็นผลที่สืบเนื่องไปจากมากที่ทําหน้าที่แก่กิเลสให้หมกขึ้นไปทุกที่จะเกิดเพราะกิเลสผิดขึ้นมามันก็ไม่มีมันก็ดับไปแม้ทุกที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อหรือไมีเครื่องสนับส น, นุนก็ดับไปที่ใจทําทั้งสี่อย่างนี้เป็นอาการเท่านั้นทําหน้าที่อันหนึ่งเขาเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราจยากเข้าใจว่า แต่กำหนดรู้ทุกแล้วถึงจะไปละสมุทัยแล้วจะเป็นบำเพ็ญมากให้เกิดขึ้นเพื่อใิโรูจะได้ดับทุกข์ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วขันทังนั้นหาทางไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันขานกำหนดทุก ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของทุกนั่นเองการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของของทุกคือตัวสมุโม่ไทนั้นถ้าไม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไระมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้นและเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไรคาว่าความดับทุก เรียกวันนีโรดนีโรดก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลำหนับลำหนับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานผุดท้ายทุกจะดับไปโดยลํำดับลําดับเทีเยบเล็กและน้อยตามอํนมานาจของมารคที่ทําหน้าที่ได้ผมน่าน้อยเพียงไรก็เป็นนิโรธออกมาเ ม, มาื่อมารคมีกําลังเต็มที่ตัดกิเลสขาดโดยไม่มีอะไรเหลือแล้ว ทุกก็ดับพร้อมในขณนะนั้นไม่มีทุกข์ใดที่จะปรากฏอยู่เลยภายในจิตใจเนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นแล้วที่กลามาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือจากเบญะขันธ์อันเป็นรวงรังแห่งขจจะธรรมนี้เลยผู้ปฏิบัติจึงควรค้นคว้าอยู่ที่ตรงนี้หากจะพิจารณาในธาตุใดขันธ์ใดก็ให้พรุงน้อมเข้ามา เพืเป็นการเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนดิ้ตนถือสิ่งที่ตนถือว่าเป็นตนเป็นของตนอันเป็นส่วนสำคัญเพื่อจะเลยปล่อยวางลงไปด้วยการเทียบเคียงกับสิ่งภายนอกถ้าจะพอเข้าใจได้ในตัวในการพิจารณาตนเองโดยลาพั ง, งก็ให้เข้าใจ หากยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือข้อเทียบเทียงเพื่อจะแก้ภายในเราก็ถัำพิจารณาภายนอกก็เป็นมรรคเป็นสติปัญญาถ้าพิจารณาให้เป็นสติปัญญปัญญาให้เป็นมรรคก็เป็นมรรคพิจารณาภายในก็เป็นมรรคทั้งข้างนอกข้างในจะให้เป็นสมุทัยได้ด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นมรรคก็ได้ การพิจารณากายเราก็อย่าได้คาดได้หมายว่าท่านผู้นั้นเห็นกายเห็นอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นดยงนั้นตามอย่างนี้เป็นต้นผิดวิสัยข้างตนหรือขัดต่อจริตวิสัยข้างตนกายนั้นเป็นเรียกว่ากายเหมือนกันความเข้าใจ ตามจริตนิสยัยความรู้ความเห็นการจะริตนิสยัยจะรู้อย่างไงก็ตามก็คือคือรู้กายรู้สัจธรรมมันนั้นหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายข้างหลายหนก็เข้าใจไปเองป่อวางก็ได้เองเที่ยวกับมาฐานนี่เที่ยวตรงนี้อ่ะ เที่ยวกรรมฐ า, านน้่นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรรมฐ า, านในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณกรรมฐ า, านนี้เองเป็นจุดสาคัญือเพื่อความสะดวกในการภาวนาถึงจะได้รู้กรรมฐ า, านทั้งห้ า, าธรรมฐานะกับที่ตั้งแห่างงานอันเป็นงานสาคัญพอมีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในสัจธรรมทั้งสิ ไปอยูในป่าก็ต้องพิจารณานี้อยู่ในเขาอยู่ในที่ไหนก็ต้องพิจารณานี้เพราะติดที่นี่อันนี้เป็นเครื่องปิดบงังจิตใจไม่มีความสว่างกระ จ, าจะ่างแส้งออกมามเห็นอัดเห็นทำคือความจริงที่มีอยู่รอบตัวคุณต้องอาศัยพิจารณานสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่มืดดำเหมือนอย่างเราที่ไม่เคยพิจารณ า, ากลับเป็นหินรับปัญญาเขาได้เพลิกให้เป็นประโยชน์ก็ได้ กายเวทนาอิตถังถ้าจะคิดให้เป็นการต่งสมกิเลขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตัวเราอยู่ทุกวันทุกนั้นขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วหรือคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะ ถ้าทายเราอยู่สมอคือความปิดเราจะต้องฟิตตัวของเราให้พอกับกำลังของข้าศึกถ้ากำลังไม่พอก็แพ้วลานี้กำลังก้าวเข้าสู่สงครามด้วยกันสงครามชาพญาธิมรณะนี่เป็นส ง, งครามล้างโลก ถ้าชนะแล้วล้างโลกถ้าแพ้แพ้ก็จมโลกจมอยู่ในโลกั้าเรียวกว่ากรรมฐานเป็นงานใหญ่โตงานรื้อถอนกิเลอสอาสวะงานรื้อพบรื้อาดรื้อวัฏฏสงสารออกจากใจถ้าจะทำทั้งสี่ไม่เคยลงจากเวทีเว้นเสียแต่ตายเท่านั้นอยู่บนเวทีคือร่างกายจิตใจเรานี้ตลอดเวลา สติปัญญาข้างขึ้นมาให้ทันกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ให้ได้รู้เท่าทันกันความจริงมีอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราอยากให้มีความรู้นอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าอย่าปีนเกี่ยวกับธรรมของพระองค์จะมีแต่กองทุกขเช่นเดียวกับเราเดินไปตามทางไม่สนุกแล้วก้าวออก จากสองภาพทางรกระเที่ยมหยีปาบหยีขนามนั่นเป็นความสุดแล้วเหรอนั่นเป็นการเตือนตัวเองผู้ใดที่จะมากล่าวเป็นคําถูกต้องแน่นยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้อีกมีผู้ใดในโลกนี้ชาสดามีเพียงองค์เดียวสอนถูกต้องแน่นยามนำธรรมนั้นเข้ามาพิจารณาดูในตัวของเราท่านสอนว่าอย่างไรบ้าง ถือเอาคําที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องหมุนจิตหมุนสติปัญญาเข้าไปสู่ความจริงนั้นฝืนกับสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่คอยฉุดากเราให้ออกนอกลูกนอกทางอยู่เสมอนั้นฝืนโดยไม่หยุดไม่ถอยนี่ชื่อว่านักรบเพราะสิ่งที่คอยกระซิบนั้นกระซิบอยู่ตลอดเวลาให้เราทราบว่าความกระซิบแบบนั้นส่วนมาก อยากละร้อยทั้งร้อยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดความฝืนสิ่งกระซิบความฝืนความฝุดลากความฝืนใจนั่นแหละคือธรรเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายจิตใจรู้สึกท้อถอยอ่อนแอนั่นเริ่มแพ้ ทาตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนไว้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จริงๆนะทุ ก, ก็คือทุกจะให้เขาเป็นอะไรอีกนะสติปัญญานี้ก็พิจารณาให้ทราบว่าทุกคือทุกนะเราคือเรานะเมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่มีใครว่าแพ้ไม่มีใครชนะมีความเป็นความจริงเสมอันเมื่อ ต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะวิวาากันไม่เป็นข่าศึกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจะให้ส ง, สงบศึกหรือให้เสร็จให้สิ้นในข่าศึกที่เรากําลังพิจารณาอยู่เวลานี้พี่คลายดูให้หมดจะทุกข์มากทุกน้อยเพียงไงเราไม่ใช่ผู้ลงจมไปด้วยทุกข์ เราเป็นผู้รู้ทุกต่างหากแลวเราเป็นผู้พิจารณาทุกต่างหากไหนเราถึงจะมากลัวกับเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นอันหนึ่งต่างหากจากใจอันแท้จริงของเราติมีมากจิตเด่นเราฝึกหัดติตของเราให้ได้มากเท่าไหร่ความรู้นั้นยิ่งเด่นเพราะติเป็นเครื่องเสริมความรู้ปัญญาเป็นเครื่องเสริมความเป็นปัญญาคือความฉลาดเป็นขั้ว บกบุกเบิ่สิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างผิดเครืองให้มีความราบลื่นชื่นใจไปโดยลาดับพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เพราะเห็นมีอะไรในร่างกายของเรานี้ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้เคยเห็น สนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะแปกต่ามยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วอะไรมาเพิ่มเติมพอให้เกิดความท้อถอยทุกเนี่ยก็มีเท่านั้นก็เคยแสดงอยู่ตลอดเวลาเราเคยที่จะนานอยู่แล้วปัญญาเป็นเครื่องแก้ทุกเป็นเครื่องรู้เท่าทุกเราก็ทราบอยู่แล้ว นำมาพิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกว่าเป็นทุก์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของเขาผู้รู้ก็ให้รู้ทุกอย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของตนทุกจะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะมันคนละเรื่องทุกก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็เป็นอันหนึ่งมันคนละเรื่องถ้าามาคาดเา่ า, ากันแล้วมันต้องเดือดร้อน ถ้าทุกข์เป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟเป็นของร้อนถ้ามาที่เรามันก็ร้อนถ้าไฟเป็นไฟเราเป็นเราไม่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วไฟก็ไม่มีความหมายอะไรต่อเราแล้วจะมาทําความทุกข์อะไรให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปจับไปท้องไฟพอจะให้เกิดความร้อนขึ้นมาตามไฟที่ร้อนอยู่แล้วนั้นถ้าติปัญญาขุดค้นลองให้ถึงความจริงแห่งทุกข์ ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกเป็นทุกมิรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดลาออกตัวสัญญานะ่ะมันค่อยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวทัญญาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆถ้าแยกออกเราเป็นกรรมการคนหมุนเหมือนกัน ทังไปพันกันไม่เกิดประโยชน์แยกมันออกด้วยปัญญามีห้าอาการเท่านี้เนี่ยรูปคือกายเวทนาคือความถุกทุกข์เฉยสัญญาคือความจดจำคือความสำคัญต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงของจายเนี่ยวิ ญ, ญาณคือความรับชานนี่เท่านี้ สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่ยสำคัญอยู่มากสติตั้งจดจ้องลงที่นี่พิจารณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคงต่อตัวเองขึ้นมาและขอบอุ่ญด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ค่าศึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นค่าศึกต่อเราไม่แค่อะไรถ้าพิจารณาไม่รอบพิจารณารู้ไม่เท่าทันก็ทุกเวทนานี่แหละ จะมาเป็นตัวทุกข์ภาในจิตใจขงองเราถ้าเราเอื้อมไปจับเอาหรือเราไปยึดใจยอยู่ดีๆก็เลยกลายเป็นใจทุกข์ขึ้นมาแทนที่ใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเลยกลายเป็นภาชนะแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ตัวเองฉะนั้นจึงต้องแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงขึง้นมาพระพุทธเจ้า ทรงรู้อย่างนี้ถ้าสาวกทั้งหลายทรงรู้ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างนี้ถ้ารู้เด็ดขาดก็รู้ด้วยอํานาจของสติปัญญาที่แหลมคมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่เข้าใจสุดท้ายขันก็เป็นขันจิตก็เป็นจิตไม่มีอะไรเป็นข้าศิกกันทั้งๆที่อยู่ด้วยกั น, นะเพราะต่างอันต่างกื่งไม่มีเรื่องอะไรจะมากระทบกระเทือนกันเมื่อต่างอันต่างกินแล้วเป็นเช่นนั้น ท่านมีความผาสุกสมาอยู่ในท่านการแห่งขันที่เป็นกองเถิงทั้งกองนั้นอะลรอยู่ในกองเถิงรือทุกร้อนอยู่ในกองเถิงคือเป็นตะขันจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ำดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจของตอ เรื่องความเป็นความตายมันอยู่ในขันนี้เราจะ่าไปคิดไปคาดถึงวันมันตายของมันเองถึงการเวลามันตายของมันเองอยู่ไหนมันก็ตายเพราะเรื่องความตายเป็นธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วกับขันนั้นนั้นสำคัญที่เราจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเรานี่จะให้เกิดด้วยวิธีใดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญขาดทุนก็ขาดตร ง, ตรงนี้ได้กาไรก็ได้ตรงนี้ อันเรื่องความตายเขาไม่หวังภูมิหวังกําไรกับใครละมันเป็นความจริงอันหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเอาตรงที่สําคัญคนเราหเห็นความตายอย่างชัดเจนก็จักใจหมดลงที่ไหนก็ปล่อยกันนี่ยากอะไรการตายไม่ยากเพราะการทิ้งนี่การหวงเรามันลำบากมันเป็นทุกข์ การหวงการห่ว ง, วงมันเป็นกิเลสมันเป็นทุกข์การตายจริงไม่ได้ทุกข์นี่เป็นการสลัดตัดทิ้งทุกข์อะไ ร, รู้ตามจริงแล้วก็าสลัดอย่างนั้นปัดอย่างนั้นทิ้งอย่างนั้นนี่มีปัญหาอะไรพิจารณาให้มันเด่นจิต มันเด่นแต่ทุกเด่นต่สมุทัยมันก็มีแต่ทุกเต็มตัวเต็นใจถ้าสติปัญญาเด่นจิตก็เด่นเด่นดวงรื่มเริงหรือเรียกอบอุ่นก็อบอุ่นตัวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวแล้วไม่ต้องอาศัยมาเป็นอะไรมาเป็นเนื้อเป็นหนังอืม อาการเ น, นั้นเป็นของที่ไว้ใจไม่ได้ทางนั้นถ้างเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือกลายเป็นทิพได้อย่างรวดเร็วแต่ถือว่าเป็นประโยชน์จริงมันไม่ได้แต่ให้เป็นทโทษมันเลยเห็นประโยชน์จะถือให้เป็นอะไรขันเป็นโทษกับความยึดถือด้วยความสำคัญมันหมายขอยงเราที่ผิดถือไปมันเป็นได้ อะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจเมื่อขัดสิ่งที่เป็นมุลทินสิ่งที่สกรปรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างอืมสว่างขึ้นเองสามารถฉลานี้สิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจนี้ไปได้ สงครามอันี้เป็นสงครามที่สําคัญมากสําหรับเราแต่ละคนละคนผู้ปฏิบัติศาสนาจึงต้องถือนี้เป็นจุดสําคัญเพราะนี้เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแพ้จุดจิตชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจุดตายจุดทุกข์จุดลําบาปก็อยู่ที่จุดนี้แท้หลุดพ้นก็อยู่ที่จุดนี้ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้ออื ถึงความเกษร์สำนักสำนานท่าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่อถึงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปถามหานึ่งี่ผ่านที่เสียดายรมีละแต่พูดอะไรเงาชื่อสมมุติว่ามันไปกิเลสกยู่ภายในหัวใจเราเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมัยนยังทุกข์ได้ทั้งวันทั้งคืนโอ๊ยวันนี้ไม่สบายเลยนไม่ทราบยุ่งไปหมดจนกระทั่งจะนอนไม่หลับแม้จะเป็นบ้าก็บอกอยู่แล้วนี่นะ ไม่เห็นเนี่พูดว่ากิเลสมันทําเหตุทำผลทลายเอาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทําคิดเราไม่เห็นว่ากันไม่ว่าก็ตามเมื่อมันเป็นกิเลสมันก็เป็นทังมันอย่างนั้ น, ท น, นะทำนิพพานธรรมเฮยถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วว่าไม่ว่าบริสุทธิ์อย่างนั้นจะให้ชื่อให้นานหรืไม่ไม่สาคัญค่ะบริสุทธิ์เป็นความเกษมทุามทานอย่างยิง่งพานั้นนั่นเอง เหตุคือสนามรลกที่แสดงมนันเอาให้รู้ให้เห็นกันที่นี่รู้ที่นี่แล้วก็เป็นโลกรีทูรู้แจ้งไปหมดนั่นแหละเพราะสภาพทั้งหลายมันเหมือนเหมือนกันพอเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจกันไปหมดแม้แต่ร่างกายเราเราเข้าใจอาการใดาอาการหนึ่งมันยังทั่วถึงไปหมดคือซึ่งไปหมด เวทนาก็เหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ทราบซ่านไปหมดเนี่ยเห็นโลกวิถีเข้าใจเป็ น, หนเหมือนกันไปหมดเี่ยโลกวิถีของพวกเขาเอาตรงนี้โลกวิถีของพระพุทธเจ้านอกจากรู้อยางนี้แล้วยังรู้ยัง ก, กว้างขวางลึกซึ้งไปอีกมากมายเกี่ยวกับจัตุโลกเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่วไปเราไม่ใช่วิสัยสอย่างนั้น ให้เหมาะกับจริตพิสัยหรือความสามารถของเราคุงพิจารณาให้เป็นโลกอดีตถืรู้แจ้งตรงที่มันกําลังมืดมื่อถู่เวลานี้สิ่งได้เป็นสิ่งที่ปิดบังกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชาัดตามความจริงด้วยปัญญาของเราทำหน้าที่ปัญญาสมาอาภาหนะักต่งความสว่างเสมอเรื่องปัญญาไม่มีเช่นกัและอะไรที่ความมืดจะเสมอด้วยกิเลสมันก็ไม่มีเหมนกัน จึงต้องแก้ด้วยปัญญาอยาจะตามไฟเข้าไป ส, อส่องอักิเลศวันนั่งค่าไม่มีเจอกิเลสตัวไหนมันจะมาโง่ๆให้เราได้ตามไฟไปให้มันดูเปิดไฟฟ้าขึ้นมามันเห็นตัวของกิเลสกิเลสไม่ได้โง่เหมือนเดา เ, เพราะฉะั้นเราเพื่อ ท, นทันกิเลสเราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลสส่องดูกิเลสเห็นทั้งหน้าทั้งตาเห็นทั้งโคตรทั้งแสบเห็นทั้ง ยาเงาเข้ามุนของมันถอนขึ้นมาได้หมดเ้ื่อหนาของปัญญานีเท่า น, นั้นนี่ทันถึงว่าเครื่องมือที่ทันสมัยก็คือปัญญาสว่างโลกทั้งกัางันกลบคืนธรรมะอาโลโกุตปาดิในธรรมะจักปรปวัตตาสูตร งานังวุตปานิวิจาวุตปานิอโลโกุตปานิไยขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำนี่ระหว่างที่นี่รัก ข, ขุคานีงานักขุคานีอุปัจจมายะอภิญญายะสัมบูธาญาณุบานายะสร้างวัตถุนี่นี่แหละมักแต่เป็นไปเพื่ออย่างนี้เย เป็นไปเพื่อความบรรลุความแต่จะรู้เป็นไปเพื่อนิพพานวันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณารอบตัวหนี้ ผิดเมื่อมีเครื่องรักษาจะสว่างปัญญาภาัยสว่างโล่งอยู่ภายในตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้พุ่มดับไปก็รู้รู้ในความโล่งของกติปันญานตัวเองเยเ็นสบายตายเมื่อไรก็มีปัญหาถ้าธรรมชาตินั่นไม่ตายแล้วไม่เหลงแล้วไม่จมแล้ว ก็มีเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการขอให้นำไปที่การพาลาการแสดงธรรมต้นต้น